น่ารักนะหลวงปู่ท่านครูบาอาจารย์หัดภาวนาพอแก่ๆ แ, แล้วดูมีความสุขคนในโลกแก่ๆ แ, แล้วดูไม่ได้ลําบากแก่ก็รุ่งกระลิงไม่ค่อยมีความสุขศา ส, สนาพุทธเราอัศจรรย์นนะในโลกมันมีความสุขแต่มันความสุขที่เจือความทุกข์ส่วนธรรมะนะีเราภาวนาเราเจอความสุขล้นๆ้นเลย ในโลกมันมีความสุขชั่วคราวธรรมะมันมีความสุขถาวรมีความสุขอย่างนั้นทั้งทั้งวันสุขอย่งนั้นทั้งคืนวาดภาพร็วาดไม่ออกหรอกว่วามันสุขยังไงมันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรมาเสียดแทงจิตใจนะมันเป็นอิสระไม่มีอะไรมาเสียดแทงมันได้ทั้งหลับทั้งตื่นนะใจมันสบายอยู่นะั่นแหละสังเกตไหมใจของพวกเราถูกบีบคั้นตลอดเวลาดูออกไหมถูกเค้นถูกเค้นตลอดเวลา คิดดูวันหนึ่งมันไม่มีอะไรมาเค้นไดนะ้ที่มันไม่เค้นได้เพราะเราไม่ยึดถือมันสังเกตให้ดีนะตัวที่เค้นมันไม่ใช่คนอื่นเค้นหรอกตัวตัณหาความอยากของเราเองนะ่มันเค้นใจของเราเองจะเค้นไปเรื่อยๆทำไมมันต้องคอยเค้นมันทำงาน เ, นเองการบีบการเค้นภาษาบาลีเรียกว่าพบ คำเต็มๆของคำว่าพบนะพอสำเพอพอผ่านคําเต็มๆคือคำว่ากรร ม, มพบการทํางานของจิตมีกรรมมันก็มาจากเจตนาพบทางใจก็มาจากเจตนาทางใจเนี่ยตัวสําคัญเจตนานี้ไม่ใช่เจตนาธรรมดาแต่เป็นเจตนาที่เจือด้วยตัณหาด้วยโลภะเลยเรียกว่าโลภะเจตนาเป็นเจตนาทางใจพอเกิดเจตนาทางใจขึ้นมาใจก็ถูกบีบคั้นทันทีเลย ทําทงานขึ้นมาก็ถูกเข้นไปเรื่อยๆน่าทงกสารทําไมตัณหาถึงมีอยู่แล้วพอมีตัณหาก็เลยมาเกิดการสร้างภพคือการบีบเข้นใจตัวเองตัณหามีอยู่เพราะอาวิชามันมีอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจอริยสัจมีทั้งสข้อมีเรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรต์แตว่ามไม่รู้แจ้งอะไรที่สําคัญเลยไม่รู้แจ้งทุกข์ ถ้ารู้แจ้งทุกเมื่อไหร่นะก็ละสมูทัยเมื่อนั้นละสมูทยมัยเมื่อไรนะก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธตอนไหนนะก็คือตอนนั้นแหละเกิดอริยมรรคเกิดทีเดียวกันเลยทุกสมูทัยนิรโรธมรรคเนี่ยกิตทั้งสี่ของอริยสัจนะทําเสร็จทีเดียวพร้อมๆกันนั้นการมีสติรู้กาย ร, รู้ใจนี่เรียกว่าการเจริญมรรคอยู่แต่ยังไม่ใช่อริยมรรคเวลาเกิดอริยมรรคไม่ได้รู้กาย ร, รู้ใจหรอกแต่รู้นิพพาน ตอนเบื้องต้นเรารู้กายรู้ใจถ้าจะเรียกให้โกโก้หน่อยเขาบอกเพือเป็นมักเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาขมักมักเบื้องต้นบุพผาภาคบุพผะมาก่อนภาคคือส่วนส่วนเบื้องต้นของมักมีสติรู้กายรู้ใจไปการรู้กายรู้ใจเรื่องว่ารู้ทุกถ้าเมื่อใดสติปัญญาของเราแก่รอบจริงๆเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ เราจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะความอยากที่จะให้กายเป็นสุขให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายพถถ้นทุกข์ให้ใจพใ people, moment, ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ยึดมันแนะเหมือนเราไม่ได้ยึดถือใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็เฉยๆเป็นกลางกับเขากาย น, นี้ใจนี้เหมือนกันเพราะเรามีอ ว, วิชชาเราไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ เราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแล้วเราก็รักเราก็ห่วงแห น, นว่ามันเป็นตัวเราเพราะเรารักเราห่วงแหนมันเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นจากความทุกข์พอมีความอยากนะก็บีบเค้นตัวเองทันทีเลยเค้นอัตโนมัตินะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะถูกบีบถูกเค้นอัตโนมัติเลยภาวนาไปเปเดียวก็เห็นแล้วอย่างนี้ไม่ยากหรอกแต่ทําไงจะเลิกบีบเลิกเค้นเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะทำไม่ได้จนรู้แจ้งอริยสัจ แต่ก่อนภาวานาไม่เข้าใจนะว่าทำไงมันจะพ้นได้ว่าเช้าขึ้นมาเนอพอตื่นนอนปุ๊บเนะถ้คุบจิตขึ้นมาดูเลยสมมุตินี้เป็นจิตนพอตื่นนอนขึ้นมาได้ก็ยิมาดูถ้าไงจะพ้นไปได้เนอะนะนะนึกออกไหมใจเราเป็นอย่างนี้จริงเงี้ยเอย่างงั้นเงี้นะมีพยายามโยนทิ้งน่าชุบนะมันก็ไม่ไปนะเอนะ หัดภาวนาเดี๋ยก็เห็นหนึ่งนี้ไม่รู้เลยว่าทํางไงจะหลุดพ้นได้ไม่รู้ว่าเงื่อนปมของมันหรือกุญแจของมันอยู่ที่ไหนทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าสอนออกชัดเจนแบบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจจะไม่พ้นไม่พ้นจากธาตุจากขันธ์จากทุกข์ได้หรอกยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดแต่เวลาสลุมบอลภาวนานะี่ยลืมเรื่องอริยสัจเลยรู้อย่างเดียวว่าไอเนี่ยเป็นตัวทุกข์ คือจิตใจเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์ก็ตื่นมานะแทนที่จะไปทิ้งมันไปนะก็ไปหยิบมันมาแนละ้วเอามาบีบมาเช้นมาเคาล้ามาครึงนะหาทางทงําไงจะปล่อยได้ง่ายนิดเดียวปล่อยแนละ้วก็แบมือออกไปก็หลุดแล้วเนี่ยมันหลุดมันอยู่กับมือเราเนยเพราะเราไม่ปล่อยเองอะ่ะแล้วเราจับไว้แน่นเลยแล้วก็คิดทํายังไงจะหลุดทําไงจะหลุดเนี่ยไม่โง่แล้วจะเรียกว่าอะไรโง่ตัวนเนี้เนี่ความไม่รู้มันไม่รู้ของเราไม่ใช่โง่เพราะปัญญาอ่อนหรอก ไม่ใช่โง่แบบทางโลกโลกแต่มันไม่รู้แจ้งเราคิดว่านี่เป็นของดีของวิเศษพอเป็นของดีของวิเศษนะเราก็รักเราก็ห่วงแหนวันหนึ่งนะสมมติหลวงพ่อถืออุ้ยนี่สวยงามสวยใครน้าช่างทําแอนลวดลายดีดอกไม้สวยออย่างเงี้ยวันหนึ่งพอมองหันมามองใหม่อุ้ยนอนทั้งนั้นเลยนอนยุบย่าไปหมดเลยจะทำยังไงอ่ะสวยสวยอย่เงี้ยไหมไม่สวยแล้วนะมันจะรีบกว้างทิ้งเลย มันใดเห็นกายเห็นใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันจะกว้างทิ้งเองมันทิ้งของมันเองไม่ต้องเชื้อชวนเลยนะเพราะฉั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาสติปัญญาของเราจนเห็นความจริงของกายของใจได้เพียงพอไหมถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆได้มันก็ทิ้งของมันเองไม่ต้องไปเชื้อชวนหรอกนะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องไปหยิบขึ้นมาแล้วทำยังไงจะปล่อยได้ปล่อยได้หลวงพ่อเคยภาวนาภาวนานะ่มีวันหนึ่ง จิตมันวางไปวางวางจิตลงไปจิตมันวางจิตนะโอ้สบายจังเลยดีจังเลยนะเสร็จแล้วใจมันก็นึ ก, กพระละหาันมีความรู้เท่านี้เองเหรอไม่พอนอะเอามาดูใหม่ห <c oughs> ยิบมาอีกนะเี่วางไปประเดี๋ยวเดียวขึ้นมาอีกแล้วพรรษาแรกเลยที่บวชเออกพรรษานะานีไ้ไปบอกหลวงปูส่สุวัตไปส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านนะเอาไปก่อน ส่งการบ้านกับหลวงปู่สุวัสด์เพราะหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยหลวงพ่อพุทธอะไรเงี้ยที่คุ้นๆน่ะไม่อยู่ละหลวงตามหาบัวท่านก็ดังเกินไปเข้าไม่ถึงละก็เลยไปหาหลวงปู่สุวัสด์หลวงปู่สุวัสด์ไปเล่าให้ท่านฟังตอนนั้นท่านใกล้มรณภาพแล้วเขาเข็นออกมานะนั่งนั่งรถเข็นออกมา ท่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาวางยาท่านอ่ะฉันยาเข้าไปเบลอๆไม่ค่อยรู้เรื่องเยลย อ, ออกมาอย่างเงี้ยเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมหัดดูจิตอยู่ผมดูจิตอยู่ท่านลืมตาเลยได้ยินคําว่าดูจิตอยู่นะเนี่ย alert ขึ้นมานะแล้วผมก็วางจิตลงไปคราวนี้ท่านเฮ้ท่านนะจากเบลอๆนะลืมตาขึา้นมาหน่พอบอกวางขึ้นไปนะท่านชะโนกกลับมาอย่างนี้เลยมีแรงขึ้นมาเลย แล้วผมก็ไปหยิบขึ้นมาอีกเฮ้อท่าทางท่านนะทอดถอนใจบอกไปเอามันมาทำไมมันไม่มีอะไรแล้วนะมันไม่มีอะไรหรอกทิ้งมันไปเลยนะพูดง่ายว่ามันไม่ทิ้งอ่ะเห็นไหมแต่เราไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ริงหรอกนะไม่รู้หรอกครูบาอาจารย์ก็พูดง่ายๆบอกทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนะ เคยมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดุลชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนสอนนะรู้นล้นลาะ ก, กับวางไปหลวงพ่อคืนว่าหลวงปูดดป่ดุลหลวงปู่สอนเอาแต่ได้นี่สำนวนของท่านนะสำนวนคนสุรินทะ่านไม่ได้ดูถูกเหยียดติยามอะหมายถึงสอนเอาตามใจชอบมันจะได้ยังไงท่านสำนวนพวกเรานะสอนยากเกินไปอย่างเงี้ย ท่านว่าหลวงปู่สอนเอาแต่ได้มันทิ้งได้ยังไงกันนี่เราไม่รู้หรอกว่าเราทิ้งได้ไงนะเราไม่รู้หรอกเรารู้แต่ว่ายังขาดอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งสิ่งนี้เรายังทิ้งไม่ได้เรารู้สึกไม่พอนะใจจะรู้สึกไม่พอตลอดเวลาภาวนาไปเรื่อยๆนะวันใดเข้าใจอริยสัจมันจะทิ้งของมันเองให้ถือไว้มันก็ไม่ถือแล้วเพราะมันรู้ว่านี่คือตัวทุกข์พวกเราไม่เห็นทุกข์ พวกเราอย่าโม้พวกเราไม่เห็นทุกข์พวกเราไม่เคยเห็นหรอกว่ากายนี้เป็นทุกข์จิต น, vampire, นี้เป็นทุกข์พวกเราเห็นได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมพวกเราเห็นได้แค่ว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเห็นเท่านี้เท่านี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจถ้ารู้แจ้งอริยสัจจะเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อย จิตเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่เรียกว่าเห็นทุกข์ก็เห็นทุกข์แจมแจ้งอย่างนี้ถึงจะพ้นทุกข์จิตจะสลัดคืนก้อนทุกข์คือกายกระใจนี่คืนให้โลกไปไม่ยึดถือมาเป็นเจ้าของอีกแล้วก็ทิ้งไปพอทิ้งไปแล้วกายกระใจเป็นทุกข์ไม่เป็น มันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่มันเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบขันเป็นทุกข์มันทนไม่ได้อยู่ได้ไม่นานถามว่าจิตพระราหันเที่ยงไม่เที่ยงจิตพระรหันก็ไม่เที่ยงทำไมนะจิตพระราหันเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ทุกอันนี้ไม่ใช่ทุกข์เวียดชนาเป็นทุกข์นี่หมายถึงทุกข์ขังทุกขังทุกขลักษณะเป็นอนิจจังอนิจจลักษณะไม่เที่ยงจิตพระราหันก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวก็เกิดที่ใจจิตพระละหันก็เป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ต้องดับทนอยู่ที่ตาตลอดเวลาไม่ได้เกิดที่หูแล้วก็ต้องดับเกิดที่ใจแล้วก็ต้องดับจิตที่มีสมณะเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีอุเบกขาเกิดแล้วก็ดับ จิตพระอราหันต์ก็บังคับมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้มันก็ทํางานไปตามสภาพของมันเป็นอนัตตาแช่จิตอะไรขันทั้งทั้งหลายทั้งปวงนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยความต่างของเรากับพระอราหันต์นั้นมีนิดเดียวเองของเราเนี่ยเวทนามันยอมใจได้ส่วนพระอราหันต์นั้นเวทนายอมใจไม่ได้นะเพราะนั้นไม่ว่าจิตจะเกิดสมนัตหรือจิตจะเกิดอุบเบกขาเนี่ยพระอราหันต์ไม่มียินดียินร้ายอะไรขึ้นมานะ สิจะเกิดท yes ี่ตาเกิดที่หูหรือเกิดที่ใจพระอรหันต์ก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรย้อมใจท่านได้ใจท่านสบายอยู่ท่านเป็นกลางปลอดโปร่งอยู่นั่นเองทําไมใจท่านเป็นกลางสบายเพราะท่านไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจความทุกข์เกิดขึ้นที่กายไม่เกี่ยวอะไรกับท่านความทุกข์เกิดที่ใจก็ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านท่านไม่เกี่ยวด้วยท่านก็สบายของท่านอยู่กันนะมหาครูบาอาจารย์หลวงปู่สวั์เนี่ย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยท่านลดความลดความเ ป, ป็นอมภารไปตอนนั้นท่านไปสุลินอยู่บุรีรัมย์แล้วท่านจะไปงานเจ้าคุณวัดบูรณ์นั่นแหละแต่เจ้าคุณวัดบูรไม่ได้ทําให้ท่านลดความนะเดี๋ยวจะไปว่าท่านไม่เกี่ยวนะท่านแค่นี้วนไปงานเสร็จแล้วตอนไปหรือตอนกลับจำไม่ได้ละมีคนแก่คนหนึ่งอาสาขับรถแก่มากเลย ขับรถนะั่งขับอีท่านไหนไมัรู้คงวูบไปรถตกถนนนะตัวท่านน่ะตกลงไปในคโคลนพวกเราระวังนะคโคลนเมืองบุรีลัมนากลัวที่สุดหมอถึงขนาดบอกว่ามันมีเชื้อรุนแรงท่านเป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อนะติดเชื้อรักษายากท่านก็นั่งรถเข็นตลอดตั้งแต่นั้นนะแต่เวลาไปเจอท่านนะั้นท่านพูดอยู่เรื่อยเลยสุกแท่นอ้อสุกแท้นอ้นอเนี่ย ถ้าสํานวนภาคกลางต้องบอกสุขหนอสุขหนอนะของท่านไม่บอกสุขหนอท่านบอกสุขแท้นอ้อสุขแท้นอ้อท่านมีความสุขนั้นท่านบอกเลยว่าเราภาวนามานะเราไม่นึกเลยว่าเราจะมีความสุขขนาดนี้นถ้าพวกเราอยู่ๆลดความเดินไม่ได้เราจะสุขแท้นอ้อเราต้องสุกกอกไก่แงง่เลยไม่ใช่สุขขอไข่ละของท่านนะ ยิ่งท่านปอบท่านท่านอมพาศนะท่านไม่มีงานอะไรต้องทําแล้วไม่ต้องรับนิมนต์ไม่ต้องอะไรนะท่านก็สบายของท่านนะคราวนี้มีแต่ความสุขล้วนๆของท่านอย่างนั้นถามว่าท่านขันท่านเป็นทุกข์ไหมท่านขันเป็นทุกข์นะแต่จิตท่านมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเพราะฉนั้นเวทนาเนี่ยยังถูกต้องในกายได้แต่เวทนานั้นไม่ถูกต้องในใจใจมีแต่ความสุขเบิกบานอยู่นั่นเองไม่ถูกอะไรปรุงแต่งได้มีความสุขแต่ไม่ได้ยึดในความสุขนั้นด้วยนะ พวกเรานะมีบุญมหาศาลเลยเราได้เจอศาสนาพุทธเราสนใจเราได้ฟังธรรมเหลือแต่เราปฏิบัติเอาปฏิบัติเอาจนวันหนึ่งเห็นความจริงเลยกายนี้ทุกข์ล้วนล้วนจิตนี้ทุกข์ล้วนๆ้วนชาตินี้ถ้ายังไม่เห็นการจิตเป็นทุกข์ล้วนล้วนเอาให้ได้เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆวนก็ยังดีถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆวนจะได้ผ้าหนาคาพวกเรามีบุญแล้วนะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ไม่พิคนพิการพิกลจริตเราได้อยู่ในศาสนาพุทธเราได้ฟังธรรมเรียกพบสัตตบุรุษได้ฟังธรรมจากสัตตบุรุษเหลืออย่างเดียวเหลือปฏิบัติเอาการปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรสรุปง่ายเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนใครรู้จักรู้สึกตัวไหมคนที่ไม่เคยฝึกนะไม่รู้จักว่ารู้สึกตัวเป็นไงจะคิดว่าตอนนี้ก็รู้สึกอยู่แล้ว ในความเป็นจริงคนทั้งโลกไม่รู้สึกตัวเลยต้อนะงคนที่ได้ฟังธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วถึงจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไดนะ้อย่างพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยตื่นขึ้นมานี่นับไม่ท้วนละตอนนี้ลองไปดูที่ต่างๆสิมืดตตื้อเลยนะมันมืดๆ ม, ม, มัวๆนะไม่ตื่นหรอกจิตที่ตื่นนะั้มันสงบสะอาดสว่างขึ้นมานะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาคนในโลกนั้นใจมันไม่ตื่นนี่อยู่ๆเราจะรู้จักว่าตื่นเป็นยังไงมันไม่รู้จักเพราะมันไม่เคยตื่น เรามาเรียนสิ่งที่ตรงข้ามกับความตื่นความหลงความหลงความเผลอความเหม่อนี่รู้จักเหมื่อเมื่อไมรู้จักใจลอยไมเมื่อมื่อใจลอยนั่นแหละคือความหลงนะตรงข้ามกับความตื่นถ้าเมื่อไหร่ใจเราเหม่อไปเมื่อนั้นเราลืมกายเมื่อนั้นเราลืมใจเช่นเราเหม่อไปคิดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้คิดถึงดาราหนังคิดถึงคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนี้นะขณะที่เราไปคิดถึงคนอื่นอยู่นะ เรามีกายเราก็ลืมไปเรามีใจเราก็ลืมไปอันนี้เรียกว่าขาดสติเรียกว่าไม่รู้เนือ้อรู้ตัวลืมกายลืมใจนะถ้าหากใจเราลอยไปเราไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้แล้ว เ, เ, เราเกิดไปรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วนะทันทีที่รู้ว่าใจลอยไปนะจิตจะตื่นฉับพลันเลยเพราะอะไรเพราะความใจลอยจะดับอัตโนมัติเลยทาไมความใจลอยมันดับอัตโนมัติตรงที่เรารู้ว่าใจลอยในขณะนั้นเกิดสติทันทีที่เกิดสตินะอกุศลจะดับทันทีเลย อกุศลใจใจลอยไปใจหลงไปนั้นเป็นอกุศลชนิดโมหะนะเป็นตะกูลโมหะใจมันฟุง้งซ่านไปนะมันลืมเนื้อลืมตัวนะเป็นโมหะชนิดที่มีอุท ธ, ธัจจะคือความฟุง้งซ่านใจมันหนีไปเลื่อนๆลอยๆไปทันทีที่เรารู้ทันว่าใจลอยนะสติเกิดล้สติเป็นตัวรู้ทันนะรู้ทันปับ๊บจิตจะตื่นขึ้นมาเลยความใจลอยจะดับไป เกิดความรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งแวบเดียวเท่านั้นไม่สองแวบนะแวบเดียวถ้าพูดแบบอริธรรมก็7ขณะจิตไม่นานแวบเดียวเองนิดเดียวเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงไปอีกนะอาจจะหลงไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้อา้าวใจลอยไปชั่วโมงหนึ่งละตรงที่นึกได้ว่าใจลอยนะั่นก็รู้ตัวได้อีกขณะหนึ่งนะนี่เราคอยดูเรื่อยๆวันหนึ่งทีแรกก็ใจลอยครั้งหนึ่งสองครั้งนะแต่ครั้งหนึ่งห้าชั่วโมงหชั่วโมงส่วน คนทั่วๆไปไม่เคยฝึกใจลอยวานละครั้งเดียวนะครั้งละ1ิบชั่วโมง20บชั่วโมงอะไรเพว่าไปคือไม่เคยรู้สึกตัวเลยถ้าเรารู้สึกตัวหนึ่งครั้งวันนี้เราใจลอยสองครั้งถ้ารู้สึกตัวได้หนึ่งครั้งนะเพราะความใจลอยเนี่ยมีสมการใจลอยนะเท่ากับรู้สึกตัวบ <c oughs> วกหนึ่งเพราะฉะั้นเรารู้สึกตัวหนึ่งเนียนะวันนี้ใจลอยสองใจลอยสอง นั่นเรารู้สึกตัวสองครั้งวันนี้ใจลอยสาครั้งเป็นหลงไปลองหลงแลง้วรูลล้สึกขึ้นแว บ, บหนึ่งเดี๋ยวหลงอีกแล้วรู้สึกอีกแว บ, บหนึ่งหลงงนะั้นใจลอยมันจะมาก ก, กว่าความรู้สึกตัวอยู่หนึ่งั่นเราค่อยดูของเราณนะตอนแรกๆก็นานๆจะรู้สึกทีหนึ่งต่อไปหัดดูไปเรื่อยๆมีนาทีสองวินาทีใจลอยก็รู้สึกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าวันละครั้งสองครั้งลนะต่อไปเนี้ยนาทีหนึ่ง รู้สึกตัวได้หลายครั้งนะเห็นใจลอยแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกว่าอย่างนี้เก่งสุดยอดเลยพอรู้สึกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใจมันตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาแล้วเราปฏิบัติรรมเราเจริญปัญญาต่อได้ล้บางครั้งสติก็ไปะระลึกรู้กายนะมันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีสติไปะระลึกรู้จิตมันก็เห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่จิตเดี๋ยวก็เผลอ ER, เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เห็นซ้ําๆอยู่อย่างนี้ฝึกแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกเห็นแค่จิตเผลอ ER ไปแล้วก็รู้สึก <l ug> เผลอ ER ไปแล้วก็รู้สึก <l ug> แค่นี้ก็พอแล้วทาไมมันพอเพราะจิตที่เผลอ ER ไปนั้นะ <l ug> เป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่เผลอ ER ไปนะเกิดแล้วก็ดับ <l ug> <l ug> จิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเหมือนเหมือนกันแหละ เรียนไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมาเลยจิตทุกชนิดนะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนเหมือนกันแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยเราสั่งมันไม่ได้ว่าจงรู้สึกตัวตลอดเวลาห้ามเผลออนะไรเนี่ยทำไม่ได้เพราะรู้สึกตัวแล้วเราสั่งไม่ได้หรอกว่าจงรู้สึกตลอดนะอย่ากลับไปเผลออีกเนี่ยเราก็ทาไม่ได้ งั้นแค่เราสุ่มตัวอย่างนะมาปฏิบัติเนี่ยใจเราเผลอแล้วเรารู้สึกใจเราเผลอแล้วเรารู้สึกฝึกเท่านี้ก็เป็นกล้ารหันได้กล้ารับรองเลยทำได้งั้นเราแค่คอยรู้สึกนะส่วนคนไหนมันถนัดรู้กายก็รู้กายไปเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายมันพองมันยุบเรื่องของร่างกายดูไปเรื่อยใจเป็นคนดูนะ เห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อะไรก็เกิดขึ้นมาต่างหกากแยกออกไปอีกไม่ใช่กายไม่ใช่ใจกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใ จ, นะใยใใจแยกออกไปอีกจะเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆกายมันก็เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์มันเวทนามันสุขเวทนามันทุก ข, ข์นะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะ จิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงมันไม่มีเราร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่นะเรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนอะไรๆดูลงไปเรื่อยนะมันจะไม่มีเราสักทีมีแต่กายกระใจมันทางานไปเรื่อยๆค่อยฝึกเอาค่อยรู้อย่างนี้นะฝึกไปวันหนึ่งปัญญามันพอจิตมันก็แจ้งขึ้นมาเองเหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลย เห็นอย่างนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันแลพระโสดาบันไม่ใช่ภาวนาแล้ววูบวูบบ้าบ้นะคางคนก็ใจผิดภาวนาแล้ววูบหมดสติไปตื่นขึ้นมาเป็นพระโสดาบันวูบครั้งที่สองได้สกทาขาครั้งที่สได้อนาคาครั้งที่4จบและเป็นพระอรหันต์แล้ววูบครั้งที่ห้ามีคงของแถมมั้งวูบไป20ครั้งแล้ววันดีคืนดีก็ลุกขึ้นชกกับใครอีกเนะมืันไม่ลากิเลสเลยนะแล้วลากิเลสละด้วยสติด้วยปัญญานะ ไม่ใช่ละด้วยความบู๊บบา้บาบ้านะเวลาที่เกิดอริยมรรคก็ไม่ได้ขาดสติเลยมีสติตลอดสายเลยนะถ้าขาดสติไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่ของจริงหรอกและในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลก็มีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตพวกเราบางคนเรียนอริธรรมแล้วเพี้ยนเรียนแบบไม่ฉลาดเลยในอริธรรมสอนชัดๆนะในขณะเกิดอริยมรรคมีจิตชื่อว่ามรรคจิตในขณะที่เกิดอริยผล ม, มีจิตชื่ อ, อผลจิต ตำราก็สอนชัดนะจิตมรรคจิตผลรจิตเนี่ยมีเจตสิกคือส่วนที่ประกอบจิตเกิดร่วมด้วยอีก30กว่าดวง เ, เกิดด้วยกันเป็นทีมงานที่ใหญ่มากเลยที่เป็นทีมงานฝ่ายกุศล น, นทีมวอเลอร์เลยกลับไปสำคัญผิดว่าตอนเกิดมากเกิดผลนะไม่มีจิตจิตดับวูบลงไปจิตดับมีอยู่ภูมิเดียวเท่านั้ น, น, นคือพรมลูกฟักนะ น, นต้องระวังนะภาวนาแล้วกลายเป็นพรมลูกฟัก หรือภาวนาแล้วก็บังคับกายบังคับใจบังคับจนเครียดนะเครียด <c aret> สุดมสุดขีดแล้วสติแตกนะสติแตกแล้วหมดความรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะเออไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยพระอรหันเพราะไม่ทุกข์แล้วคนบ้าไม่ทุกข์แล้วคนบ้าไม่ทุกข์แล้วเพราไม่รู้เรื่องนะมีหนะ้าหอบยิวกระตงกระเตงกันมากําหนดไปเรื่อยๆจนสติแตกมันทนความทุกข์ไม่ไหวมันเครียดจัดสติแตกไปภาวนาแล้วต้องมีสติไม่ใช่ภาวนาจนสติแตก หัดรู้เนืนรู้ตัวไปอย่าให้ลืมตัวคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจรู้สึกเล่นๆไปอย่าไปบังคับกายอย่าบังคับใจถ้าลืมกายลืมใจไม่รู้สึกกายรู้สึกใจเรียกเผลอถ้าบังคับกายบังคับใจก็เรียกเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้นะใจที่ถูกเพ่งถูกกำหนดถูกบีบถูกขั้นอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้หรอกเครียดเกิดความเครียดนี่ตื่นเช้าก็เค้นคนธรรมดาก็เค้นแล้วนะเค้นคนธรรมดาก็เค้นหน่อยหน่อย พอมาเป็นนักปฏิบัติที่ผิดนกเข็ดนะเว้ยลําบากหนักกว่าคนธรรมดาอีกคนชาวบ้านธรรมดายัางไม่บ้านักปฏิบัติบ้บาก่อนเนะเพราะอะไรเพราะภาวนาผิดอย่าให้ผิดนะต้องถูกหลักพยายามรู้สึกตัวสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดกําหนดแป ล, แล ว, ว, ว่ากดเราไว้คําว่ากําหนดนั่นแหละมาจากเป็นคําแผงใครเรียนวิชาภาษาไทยบ้างเดี๋ยวนี้ยังเรียนกันไหมคําว่ากําหนดนะมันเป็นคําแผง แผลงแผงไม่ใช่แผลงแบบทําทะลึ่งทะลึ่งอะไรงี้ยนะคําแผลงหมายถึงคําซึ่งมันอะไรนะพัฒนาออกเปอีกถิงให้คํามันสละสลวยขึ้นคําว่ากําหนดมาจากคาว่ากดกดเอาไว้ข่มเอาไว้บีบเอาไว้บังคับเอาไว้เข้นเอาไว้กําหนดเอาไว้มีคําแผลงเยอะในภาษาไทยเยอะๆไปอย่างคําว่าตํารวจเงี้ยคำว่าตํารวจเป็นคําแผลงนะมาจากคาว่าตรวจ ไม่คําว่าตรวจเยอะแยะคำแปลงพวกนี้คำว่ากําหนดก็มาจากคาว่ากดนี่เป็นคําแปลงงั้นภาวนาเนี่ยสติไม่ได้แปลว่ากดสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้กับกดนี่คนละเรื่องกันนึกออกไหมพอเรามาแปลเป็นรากศัพท์เดิมของมันเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องกําหนดกําหนดแปลว่ากรดสติคือความระลึกได้เช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ร่างกายกำลังยืนอยู่สติระลึกได้ว่าร่างกายกำลังยืนอยู่ไม่ใช่เรายืนนะร่างกายมันยืนอยู่สองคำตะกี้ต่างกันตัวอย่างที่ยกมาสติมันระลึกได้ว่าโกรธไปแล้วสติระลึกได้ว่ากำลังยืนอยู่เห็นไโกรธไปแล้วกับกำลังยืนอยู่ไม่เหมือนกันเห็น้ยโคนละมิติกันละโกรธไปแล้วหมายถึงอะไรโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธกำลังยืนอยู่หมายถึงว่าขณะนี้ยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ เพราะฉะนั้นการดูจิตกับการดูกายเนี่ยนะดูไม่เหมือนกันการดูจิตจะเป็นการตามดูเช่นมันโกรธไปแล้วรู้ว่าโกรธมันโลภไปแล้วรู้ว่าโลภมันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะการดูกายนะกําลังยืนอยู่รู้ว่ากําลังยืนกําลังเดินรู้ว่ากําลังเดินทําไมต้องดูอย่างนี้เพราะกายอายุยืนกว่จิตนะจิตนั้นเกิดได้ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเลยนะแวบเดียวก็ดับนะแล้วจิตเนี่ยมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะ ถ้ามันเป็นรู้อารมณ์เช่นจิตนิสเกิดเป็นมองเห็นรูปเห็นคนเดินมาจิตเห็นรูปนะจิตในขณะที่เห็นรูปนั้นจะมีสติรู้ว่าจิตกําลังเห็นรูปไม่ได้นะเพราะขณะนั้นจิตมีรูปเป็นอารมณ์จิตจะไม่มีจิตเป็นอารมณ์เพราะงั้นการดูจิตจะเป็นการดูตามหลังตลอดเลยส่วนการดูกายนีดูได้ตลอดเวลานะเพราะกายนี้อายุยืนกว่าจิตจิตจะเห็นอะรูปมันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจิตเป็นคนดูอยู่ในปัจจุบันดูได้เลย ดูกายดูลงปัจจุบันนะดูจิตดูตามหลังไปเรื่อยๆแต่ต้องตามแบบกระชั้นชิดนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธ ว, วันนี้รู้ไงี้ไม่ได้นะต้องโกรธอยู่นี่แหละยังไม่ทันจะเลิกดีแล้วก็รู้สึกขึ้นม า, าโอ้โกรธไปแล้วเนี่ยมันโกรธไปลนะอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ดูเราจะไม่เครียดดูจิตถ้าจะไปดูตลอดเวลาเราจะเครียดมันจะกลายเป็นการเพ่งจิตต้องระวังนะดูกายก็เหมือนกันถ้าไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาจะกลายเป็นการเพ่งกาย เพ่งจิตก็ไม่ได้เพ่งกายก็ไม่ได้ลืมจิตก็ไม่ได้ลืมกายก็ไม่ได้ต้องรู้สึกกายรู้สึกจิตแต่รู้สึกกายเนื้อรู้สึกในปัจจุบันรู้สึกจิตเนื้อรู้สึกตามหลังนะอ่ะเชิญไปทานข้าวหลวงพ่อจะให้มันจบ8ปดโมงรีบรีบรบีนี่มดเลยครับท่านอาจารย์